เป็นถ้ำอันว่ตายเพื่อนล่ะมามาใส่เนี่ตายเพื่อนเพื่อนบริยูใจอำนาจของไก่บริยูใจอำนาจของถ้ถ้ามันว่าตดยเพื่อนใจใจใจต้องน้อมนาฮะถาะมันว่ตายเพราะมัาถ้ามันว่ตายคือพระนิพพานที่ว่าน้อมนาฮาใจบองเพื่อ ว, ว่า ใหญ่ไม่เป็นว่างคืนพระเนี่ยพาดบนพัะเนี่ยพาดเทม่านอ่อมนาหายใจเทม่านอ่อมพนอใจเอ้ยจะมาหาข้าจะมาประพฤติข้าเพื่อพระดดว่าเนี่ยหนองสันว่ามรณะหกกับพระเด้เอิญใจไปตกใจไปว่ถือของรปตกก็คือฆ่าประพฤติฆ่าประพฤติว่ถือมาถ้าใครเป็นมรณะหกก็หันจะบมาบอนี่นะคอยจีบอยเวทชเชน้งแจงแจ้งแล้วเนี่ยสั่มรณหกกับพระไดวา่า มาั่คือมทันเพิ่งมันเอิบ้นตัวลมมาสั่งาแล้วมาวี้คอยไปลมทัเพิ ง, ยยงาาบบเพ่พพอยากตายอยาขาวมาเรื่องสนันกับวารเนี่เพื่อเพื่อเพอยากตายอขาวมาเื่องสมบูรณ์ถึงสองทางนั่นะมเดียวกันเน่ ยายไงตัวเอาคือจะคืดอ่อนเรียกว่าอ่อยคืออ่อยเลกหน่อยแล้วกระดับกายนัำใจเขาออกกินเขาเรียกว่าอ่อยคืออ่กหน่อยจย่มันดูด้ำมันกับพยูเน่เหนยพาหน้าตาเป็นกิงพี่อย่าหน้า oh. ันดบื่มันนายสิตัวนายขหลงจะของที่สำคัญนอนเป็นของหมันของเทียงที่สาคัญนอนเป็นของสวยของงามที่สาคัญนอนเป็นของพ่อใส่พ่อซอยบะเวีนงวงเก่าวตาว่าใส่ให้กันกับพยูน้ำเนี่ เ wow. มมรา ต, าตาังพญชนะจุลัดเราตั้งยังเทวันนักเทวันเบาเทวันปาเงื่อนเงื่อนพยัญชนะจุมุงหวงพยญชะจาลัดก็ไม่นังกุ้งผมกุ้งขนมุงหลวงต้อกินสิบาันจะอริยัจสุภาษิตสงขานสุขธ พุทธสัจกับอริยสัจก็มีธรามยอันเดียวกันแหะอริยสัจเนี่ยเป็นขัพสรของของพุทธสัจของธรรมะสัจของสังขสัจนะวนอริยสัจเนี่ยพระธรรมเก็นขับสรของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระธรมของมิอำนาจของพระพุทธเจ้าเด้พระธพระธเกิดก่อนพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าเกิดทีหลังทรเนี่ย ท่านทำพอเกิดก้อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะริมอยู่เนาะเอาะท่าโมสาโคเขาะทํานไอยู่ทพันไดเสมอนักของไส้ยุทธสำนักพุทธิสามาสมารู่ท่านจะได้ยุคจะไดยุคกรมีพระพุทธเจ้าจะพวกเดี่ยวมาลู่เขาไม่ลู่อันเก่าเหรอไม่ใช่มาลู่อันใหม่ลู่อันเก่าของพระพุทธเจ้าซุ่มเขาก็สู้พันธางแล้วเอาะว่มันมาลู่อันใหม่เด้ ศิลจักเป็นธรรมเลยบอสจักเป็นไหนก็ศิลจักเป็นธรรมซันธาแก้วอันนี้อัตาธรามะขยัวนวันนึปาราชิกาธรม า, า, าขยันวันนึงนักขันทิเชตะธรรมะขยันวันนีงนิสกิยาปาติยาธรรมะปายติยาธรรมะเทกิยาธรรมะกตาสิกรณะสมธาธาธรรม สีลจับเป็นธรร่ก็ได้เป็นเป็นโยพอเป็นทรเบื้องต้นเป็นศีลเบื้องต้นก่อนสมาธิจับเป็นศีลได้เ่าะนสมาธิการจัเป็นศีลได้ขึอกันพราตั้งมันเยอในศีลเนี่ยตั้งมันโยศีลสมาธิจับเป็นปัญญาได้เพราจะได้ขึ้นกันนะผู้บ่มีผมีปัญญากรักษาสมาธิว่าไรผู้มีผู้มีปัญญากับผู้มีศีลเหว่าไงสีลสมาธิปัญญาคงเกินไปยุคเก่าปัญญาง คือเรียกน่อยเนี่ยแขนมันน่อยมันก็น่อยมันเนี่ยมันอ่อนก็อ่อนมันกระดูกมันก็อ่อนเรียกหน่อยใจมันก็อ่อนอ่อนท่านในอบรมเนี่ยคือบเปล่าเปรียบใช้ทังหนอนกับยาบขนน้มันอ่อนเปลือกมันก็อ่อนเนื้อมันก็อ่อนเนื้อมันก็อ่อนหน้ามันก็อ่อนขนน้มันแก่ก็เปลือกมันก็แก่กับเนื้อเขามันก็แก่หน้ามันก็แก่ชินสามารถที่ป็นญาแก่ หมัอนแก่สิ้นกับแก่ธรรมะที่กับแก่ที่กันก็ไปพร้อมกันแล้วเขาบรรยับกเาว่ากระจายออกค่เสือหรอแ้เาอันนี้เาแก่เนี่นะเขาแก่หนแก่แต่นังหมเนี่ยกรนั้แก่ทีกันเ็นกัแก่ที่กันกระดูกกัแก่ทีกันโดนะไรนผากระแก่ที่กันวันใส่หมดแก่หมดมันหมดอันนู้นโดนท้องกันหมด บอกไม่สิจังคำคำว่ามันสุกแก้มันแก้ว่ัดท้งขวัทั้งยังมันท้าเปียกมันบอกม่วง่วงแก้วจะชุกจนงอมจนร่นลงเลยองดอันนี้คือการวันี่มันแหนออกกับเพ <uma S 1> ื่อว่าแหนออกเาของันเนีข <try hehe> ึ <quis> ้นเนี่ยมือเนี่ยสองหนึ่งสสามี่ห้าั่งก็ไม่ยังก็ไม่นังก็เนยวขเกาตัวสั่งยังบอกแก่นั่นตเี่ยเขาตะุกเขาเกาั่นองสามสี่หก็ได้วาอันเียวว่ะ นัะดินใช้ไมใชรกระทกับดินของเก่าอ่ะนะซึ่งนั่ที่เป็นของแข็งลักษณะอันนี้ที่เป็นของแข็งจัดเข้าไปในถาดดินสมุิตามถาดแต่เนยจัดสมุดสมุดตามความเป็นจิบของมันที่ไม่อยู่ยยังสมุตละาดน้ำเน้ำใช้่ใช่กับสมุว่าน้ำเพราะมันเป็นของเหลวน้ำก็แบ่งออกเป็นสองอีกหน่งน้ำคุณน้าใสอีกหนึ่ง แต่ไม่ใช่ลักษณะชื่อมซบด้วยกันเพรมันเปี่ยนถ้า ม, นมออนาาานันก็มีแบงออกเป็นสองสังกันถ้ามัจะนไปทรางโรกีามจะเปไปส้างโรคุตตศิลป์กับแมงมันสองงกันศิลป์จะเป็นโลคหี่ศิล์ที่เป็นโรคุตตรศปศิลอันไหนกับพทอศีลก็คือกระธรพระสงฆ์น่ะแั้เหนือไปไห สมาธิเี่ว่าอสมาธิเีรับที่ของพรุทธระธรมสงฆ์ปัญญาเนีว่าทอปัญญาแรงรับที่ของพระพุทธระระสง์ยว่าปัญญาชําหละกิเลสได้ปัญญาในีสร้างพระพุทธระมระสง์อันปัญญาสหรับสิติตใม่ิตฟุปัญญาโลกีรักเพื่อจะได้สชนะเขาปัญญาโลกีรอกกันบอกวา กานทีเนเ่เครื่องคองาเครื่องแกงแ่อัญเกีเป็นหามรรหกขนาดในกางที่เรื่องเฮ็ดบกบระเบิดปรมาณน่ได้อันนั้ป็นหาทั้งมลหกนะเปนหาทั้งเว้นทั้งไผ่ในกางในที่เรื่งับเครื่องคาเครื่องแกงสู้ไมได้อันนั้นมป็ญญ้าถ้าเป็เว้นหอมาไผ่ทีมันสร้างมันก็ไม่ประโยชน์ขนาดหนึ่งหมูห้องยิ่มา ม, มือห้องเปผู้สราคเกือหองเหมากท่าไร้เข็มใ่มาห่ะอันนั้นปัญญาเกิดแล้วอันนั้นปัญญาเกิดเท็โถดในเวรในไพ่แล้วนังก็ผ้ากันระเบิดเท็มปัญญาตาคนตาแข่งกันเดียวว่าปัญญาสี่สังเวทสางไพ่สก่ังอันนี้วัดัจัดเขาในตามปัญญาทาั้งหมดปัญญาทั้งสิ่น้องเวนทน้องไพปัญญาทั้งห้กินห้าขีดใน้วอให้ต้องสาเนี่ ว่ได้วางไว้สิ่งนี้หนีในพนฟ้ามได้กัคณาจิตหนอยทุมนี่ยผมยังสั่งบาลามีอ่อนแอบนุ่นเนี่ยคนยังมองเห็นเห็นโทษในวาระสงสารด้มันจัตเตะเอามันเอามันเอามันอามันอยู่แล้วก็าใครเอาไปบ่นอะไรเราไม่ช่มันเอาความลงส้ขของไปบวกควลงสุของแต่ว่าตัวเสียเอามันเอามันยังไงเอารมันแฉมันชนะมันสิชนะจะไหนกี่เด่นหน่อยหัวอยู่มาทำละลงวาทละลง ชนะอย่างนี้ชนะง่ายกว่านี่มันขึ้นเอาข้างกระโดไปค่มกันนี่เลยเขาจะพุ่งขีดดำปืปือปีี่ตอสบต่อเด ah ยวนมันะากว่าพุ่มนั้นของพระอนาคข้ามี่วะมีพุ่งพระพุทธดานวันมีอยู่แต่ยังยินดีและมีอะไรจะขอจังหวะมาแล้วยินดีนะผมจะขอันนี้ยินดีท่าอื่นพระพุทดานน่ทารุ่ท่าไปแล้ว มึงเห็นดีสิขอเว้นผูไน้ไรอ่ะมึงเห็นดีสิรเราเราหมดเส้นหาวันสบายขนลวงลราหมดเส้นหาถือว่านัดทอผู้เขาเนี่เชีื่อเสียดายจันักบกันก่อนกระนนู้นนาเพิ่มสารน้ำอันนี้อันยาแข็งๆน่เพิ่มาร ด, ดินนี่ บรรทาวสารินเนี่ยบรรท่าวัพดชปฏิบัติขินทัมว่ามันถืบรรท่าว้ให้กเกลียดเยียบยำํากสันว่ามันจะเกิดว่าให้เกลยียเป็นนายเกิดว่าให้ถ้ามักสอนในพุทธเจ้าเป็นนัยยอมรับผู้บางแล้ลเวเมื่อมีเกลียดที่เอาทัดดินน้ําพรล่ม เ้าเมื square, ่าชั้น้าสั้น้ารนาเมื่อน้จะเป็นเลือดเปนไผ่จไปคากันจนตัวหันเองคันหาไปคากันจนตัวหันเองที่ขกิเลสเป็นผู้บังคับได้จองเลือจ้องไผ่กันว่ามันทำได้ทำอะไรเปบังคับด้ทำพระเจ้าใบ่ไหมปบังคับทาอันดาเป็บังคับเะตุกะธรรมาติหนึ่งคือําเครื่องสว่างสี่อย่างมาราจีบาทําชีวิตสา้ตกร่วง กทินาทานถือเอาิึงของที่จะ้ำมาให้้วยาาโ ก, โโการแห่งข้อมูลการเมษมิตรค้าจานไว้ปิดปิดในศาลมูชวัตกุเทศเขาก็ถามสิกามกิเลสเป็นกำไยดำจงหากมที่เป็นไยขาวมาไม่ขาทรัพย์ไม่รักทรัพย์ไม่เบิกพทชปิดในกาลเป็นกำไฝ่ า, าวเายไา่กระถือก่อนดูอาสังหรอกเลือดหรือเสียว่าจักสกิเลสทากิเลสเป็นท่ายดา ยองหาทำที่เป็นฝ่ายขาวมาแม่ข้าสันแม่รักครับยแม่ประพฤติผิดในทางเไมกว่าทำฝ่ายขาวเหัวเขาในซันนี่ว่ามันยังไม่อีกดังนั้นาดของโลกเกียธาตโลกอุตระธาตุธาตุทางหลายมีมโนธาตุเป็ี่ยนไงอินชีทางร้ายมีมนิณชีเป็ี่ยนไงขันทางหลายมีวินยานขันเป็ี่ยนไง เป็นแง่ในทั้งบาปการให้บาปกับเป็นแง่ในทั้งบาปการให้บุญก็เป็นง่ในทังบุญวนถ้ามันเป็นแง่มันก็เป็นกาอีกอย่างครับ้าไปใหบาปก็เป็นแง่ไปทังบาปกาให้บุญก็เป็นแง่ไปทางบุญคือจ้าผิดมามาทำตัวม่ยังมาหาจับพระพระองค์นั้นมันแล้วมันเป็นมันโอ้แล้วมันเป็นพระเจ้าผู้มีบุญอยงนี เดี๋ว่าตัวจะไปจับเขาหงย้าตัวไปทำบุญกับไปเจ้าพ่อใบุญบนตัวไดทำบาปกัเจ้าพูอใหบาปบนดวะตัวไปจับเขาหงายมาตได้เป็นทำบุญตอนนั้นเจ้าพูอห้บุญตอนนั้นตได้ทำบาปตอนนั้นกับเจ้าพ่อ้บาปตอนนั้น่หรอวะเสวะเที่ยวใจับเขาเป็นบาปยังวะถึอกไม่ได้บ้านนี่เขาเรียกว่ามันคนหุ่นเดียวกันนี่ฮะไว่าเป็นคนุ่นเดียวกันนี้นี่ว่าสัน ทัท้งป่าทั้ง่แม่นนี้เกิดกี่คณวาสันดาบเพียนเนี่ยมันเป็นบาปเนี่ยธรรมนาที่สุดยังไม่รู้เสียงนัคว ร, รู้เสียงนั้นคนจะทำอะไรยังทัดตัวรู้อนี้ข้อนี้มาในพระปาจิโมกที่สุอยู่วาที่สุน ธรรมดาออข้อนี่มาในาพระปาร์มกธรรมดาพิะสุผู้ยังไม่รู้ถึงใดควรจะรู้สิ่งนั้นคนแต่ถามอาจเรียน์กันถึงรู้ไม่ต้องเอาสิ่งที่ไม่รู้ไปเป็นอาจารย์หรืองเ่ยว่าลูกเขเป็นหน้าที่ต้องถามคนว่าคนถามดูคนสอบดูมันถึงข้อนี้ขั้ น, นหน้าเลยผมไม่ได้สอเอาเพลเอาชนะเว้ยสอเอานอพิจารณาเพื่อให้เข้าใจเว้ยแบบนึงสอเอาเพลเอาชนะเป็นตัอย่างคัดฝท้ า, าทหัวเด่น <c oughs> ค็สอนไม่สอนกับพวกเลย อ, อันนึ่งสอนเพื่อหาความจริงเนี่ยอันหนึ่งสอนเพื่อจะเอาไปเอาชนะต่างเหตุคนเถียงกับมีส่สองสองแน่เถียงเพื่อหาความพอใจก็มีเถียงเพื่อจะเอาแพปเอาชนะกับมี่คนปะปากก็บมี่สองเลยเแบบหนึ่งปะปากก็ล้องผู้ใดแบบนึ่งปะปากห ง, งมงฟังคนปากกับมี่สองอย่างปากเพื่อเอาแพปเอาชนะปาก เพื่อเอาแพร่อาชนะอ่านเขานว่าเป็นประโยชน์ยอดต้นยอดปูฟั ง, ง, งมันเขาไม่ใสองพวกคือเปลพวกถือทุดงก็ไม่สองพวกนะเพื่อนว่าเพื่นบอกนี่กระต่ายพรพวกนึงเพื่อถือเอาเป็นเพื่มคมค้นน่พวกนึงเพื่อถือเอาเป็นวัจจคัดเก่าเกเรแค่นั้นหน่อยลง พวกนึงซือตุง่งเพืจะให้เขาว่าตัวแข้งในงเขาออกผลขิงผลทานต้องกิ่นร้ายๆไปสั่นพวกนี้ร่วงโลกไาสั่นคนละพวกพ่อวานาเฮกันพวกยุปาเฮกันยุปาพวกนึงพอขันกูยุปานี่มันสีอยากมันสีได้รบับร้ายพวกนั้นก็ม่ควนอยู่พดงเจาเป็นอวัตทุกคนเลยทุกๆจ า, างหวัดย่างเกุยุปานี่เพื่อสิปฏิบัติถุนนิวัตถนทุกนิวตถะท้อง้อยากยู่กับจุงยู่เถิดจะไปก็จงไปเถิด คือทั้งร้ายไปในทิศทางซีเขาไม่ได้อีกแล้ถ้าเราไปอยู่ในทางที่นั่นจะมีรากถ้าเราอยู่ในทางที่นี้จะมีรากอย่าอยู่เถิดอย่าไปเถิดเป็นอาบัตทุกกดในตอนนี้ส่วนอื่นช่งอืนเหตียงกับเหืุผลจะอยู่ที่ไหนก็จงอยู่เถิดจะไปที่ไหนก็จงอยู่ไปเถิดเพื่อคนทุกข์นะพาช า, าทาชั้งสามเสียงเดียวอาบัตทุกกดในส่วนนี้ไม่เป็นแต่ว่าส่วนส่วนอื่นเป็นสนทำทาไปทําำผิด ต่วนี้ก็เป็ยนงนี่ในมหาคันนี่ก็เห็นบดีระบบการลดควมยกคู่คัดเก็บตอนรองคุต้นว่าเอายาฆ้าลังก็คนทำเตต้นจนในต้นหดผลจนต้วไหนก่อนพี่ย่้าร่องให้แก่เขาออกก่อนีหน้าราลงให้แก่เขาออกแล้วรับ กเย็นรกว่รเยอย็นรกไพรลยเย็นร็อกไพร์เลยเจอเลยลูกศรมาหลังไลเอาเงาข้ามาแปดกรรมแม่ด้วเอาม่มาแปดกรรมเลยแล้มาเทียบได้อาจัที่กมาข้าแปะเลยพระองเจาด้อธิษฐานเขาเป็นแทนแก้วอธิษฐานเขาอธิษฐานเอาเป็นบันนั่ง อุปมาเนไ่ยเป็นแทนแก้วเป็นแทนแก้วคือยังไงคือตัพทะลุมันก็เลยสมมติว่าเป็นแค่นแก้วอันนาะมันนั่งกันเพระฉะนั้นท่านจะอยู่ในที่รุ่งก็าตามที่ดอนก็าตามที่สูงก็าตามที่ชุ่มก็าตามที่นั่นยอดเป็ น, นวันงกบนั่นเองมีน่งงาข่าข้างอุปมาคือแทนแก้วอันสมนวิน ต, นนนต้องให้เขาก่อกร เดี๋ยวเราจะดูศาส์นหลังได้เจบ้บหม้เีประมาณออ ก, ก, กจากการทำพิ้ีงานชุดสู่ประปราฏญาณซับตัวเนี้มากัดไส้ซัดตัวนักมาจาัไส้ตายแล้วไปเกิดไส้ตายจากการแล้วเกิดไ ส, ไไ ส, ไไสไ้ได้บัดทิแก้งมากครับก่อนที่แ้งมากครับอาสวัสขยายานเกิดเกิดควมดูรุดดวงสาธิบดูจักว่าเย่ทั้งเราหมดแลว้วบาทเหนี่ไยไหมอ เดี๋ยวอาสขยักายอานเียวัประกียบนั่งตันหากระลากาตันหารูปัาตันหาสะทะตันหาขันทะตันหาละสะตันหาน นั่งธนานั่ง already. อรดีอรดีอารตีวิอารตีป่าป่ามันจะป่าหน้าจะสัญญามุกเะว่าเทียบจะบาปหลักบาปเดีวยวก น, นั่งธนารูปวัจจานะนั่งราคาค่ะควบกำนัตรักไขร่แรกสามารม่มแรโทษสารลมน่งโมหาลมในปในสาว น, นั่งอรดีเขาก็ได้เทียบเป็นพวก่าที่ศาลมา ลบที่ห้าที่สามหน้ากัหน้าราคะหน้ากัหาหน้าอะไรดีนะเป็นสามหน้าอ่วะวะ่าวงามนะคันพระพุท่เจ่าแล้วพี่ก็น่าลงชูความเผาคว่ำแก่คว่ำแก้บคว่ำใจกับนมงามเจีบเจี๊ยบแล้วก็มองนะครับก็น่ า, น า, นาพูดเดียว่ะันได้สมประส ง, งน์แล้วม่ได้สมประสงน์มันก็เป็นโทวะ การส่งก็สงมาอรูต่หงแค่อ่กเป็นสามนางนางนนานางราคะนางออรเดอย่างเงี้เนเป็นสามนางเพราะคณะกิจใจจะคณะิเก้นเม็นสามอย่างเลยมีราคาโทรศัพท์มหานี้นี่เลยแคตามอันนั้นเป็นบุคลาธิฐานแรืองความิงพยามาโหห้องมาอีรีเลยล่ะินหลังยาผอฝ้าป็นายผอยกกวาด้วยแต่นี่พญามาร พญ า, ามาสก็ยิ่งทะนุถ่ายฟันฟองเป็นดอกไม้กาล้องบวบหวานอะย่างน้หมาสัตโตลงรอไปกต น, นั่งแต่นั่งเท่านี้นี่สีสะอาดบปั่นประมาทสัพพนุนา่งเท่านั้นนี่ห้วยผมเกลดเก่าทิ่แต่เงาทั้งปายเป็นนักที่หลวงไรลางน้ำทองทำไรนองม่านตายกองเดียรระดาดนั่อมานั่งเท่านั้นนีลลนนลล่ น, าาง น, งน่งเท่าน้ น, านี่เขเปียบไยงพระพุทธเจ้าจะพัดเกิดมาในใจโลกธาตุแห่งใดสามธานาวัตีนวัตพาวนาวัตธานุาีได้เปรคาาอาเมโ แล้วลูกพระพุทธเจ้าเรยลึก่านของเจ้าของได้ฟร้างไว้เรื่องุนท่านคนเสินขุนพ่อราที่สร้างไว้ในโลกนแผ่นดินมากเป็นรายโภครายขาดเดี๋ยวว่าน้าเท่นี่ได้อุปมาเปรียบเหมือนทางเท่านี่เนาะมื่อเหี่ยดเหงาทั้งปลายจะพัดว่าสร้างมาแล้วนี่มากเห็่ดมาทั้งปลายแล้วก็แล้วพัดสร้างมาแล้วนี่มากน่นจะผลขนข้าพุเจ้าปัตนนั้พุทธเจ้ามาทะนันนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นั้นนั้นมาจนถึงจึงอยากว่าเหี่ยดเงาทั้งปาย แปลว่าถ้านวัดชี้นาวัดพรวนาวัดเขาโงเก่านักเหมือนแผ่นดินนะวันจึงว่าเปรียบแค่น้างพระนี้ที่ะาดรวดเร็มากแล้วก็นู่นไม่อยากทชนมันร่ั่งพระองค์เก่าเลยมากทชิับรรลั่งไหมนะคือไม่อยากไตโรกธาตุนี่นะเชิญบรรลั่งเชิญบรรลั่งมั้นไต่โรกธาตุโลกปวดลงเหร พระพุทธเจ้าเสียสารโรดสระโรดสารโกรธสร ะ, สระลงไปแล้วทียบบนนางหามันเป็นบงคนนว่ามดเสียมาไล่ขาเพราะพระพุทธเจ้าเนี้ออกจากกันแสดงเป็นงูมากเกี่ยวน้ําแข้งน้ํำขาบนนั่นท่านเทียบเป็นบุคคลาธิษฐานกับพระพุทธเจ้าก่อนมึนแข้งมึนขาคืองูเสียมากัดจีก็บม่ยอดออกไงวา่าเหรอว่าพระพุทเจ้ารดว่าทางงูลแลยตกขาแลยตก เขาห้นี่ก็สอดเอเพื่นเจยามาใส้หงูพระองค์เจ้าก็สวยจ้ะหานังตัเขามุนคอฝากพระท่านรักท่อนเรีบพระองค์เจ้าพระทพระองค์เจ้านึ่งถึงหลินทั้งรถพระองค์เจ้ากับพริศจะเจยามาเขาหูพระองค์เจ้ากับพระทิศจ้ะเดี๋ยวชรคนงูมาเข่าหู้มูมาเกี่ยวแค้งแคล้ขาพันน้ำตนน้ำตัวงนี่ มันมืนมันเมื่อยพราะพระพุทธเจ้าสูมันอยู่อุปมาทามี่ท่านปรมาจิตที่พระพุทธเจ้าเกิดมาเดินพระบาทเด็กเจ็ดเก่าแล้วมีท่านน้าร้อนน้นําเย็นท้องร่วมมาจากอากาศท่านน้าร้อนน้ําเย็นเนี่ยอุปมาท่านน้าร้อนอุปมาคือประพฤติภูการกิริยายืนข้าเดี๋ยวอาบากินร่มดูอัตอาหารเนี่ยท่านน้ำเย็นคือประพฤติทางจิต เดินพระบาทในเกียรเก้าั่นมีหมายความว่าจักไรด้พระาศสาสนาชนบทเย็ดชนบทง่ายๆคบท่านชนบทง่า ๆ, ๆนาครคมพันธำขั้นนประกาศพาาระศาสนาไปทั่วคนเหนือเดินไปทั่วที่เหนือเสียงตีนดังวันไว้เฟื่อนฟ้ามิสัตว์เข่าเกิดเมื่อเย็ดวันสาววาน่าว่านด า, า, า, ายจจา์ นั่นต่พอพระเจ้าซุบยูฝังสีในช่วงปีพอพระเจ้าได้ลงเขาจัดแจงห้าน้างเขาจึงเอาชิ้งบางพิมพ์ผ้ามาเหมาะในรลูกแก้วซื้อว่าลาหุ่นคัโค้งของฝ่าอสานข้อมรู้เต่าความหลงเจ้าของม้าให้มากเลยเป็นวาสนาเปนจ้าบรรดานอวิษทราบอวิทา่าแปลว่าวความโง่ชนะโง่แล้วก็ชนะหมด นามพูนอย่างนี้เวชาเป็นเหตุให้เกิดตั้งขันตั้งขันเป็นเหตุให้เกิดวิยนญาณเวียนญาณเป็นเหตุให้เกิดนามลูกนามลูกเป็นเหตุให้เกิดอายุนะอายุนะเป็นเหตุให้เกิดพัฒะพัฒนเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานมุปาทานเป็นเหตุให้เกิดพบพบเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติเป็นเหตุให้เกิดชราวันละโสขเวเทวดาตุกโธมันละอุปตายา เป็นอันว่ากอรทุกทั้งมวลเกิดขึ้นโดยประการอย่างนี้เมื่อเวทชาดับสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับเมื่อวิญญาณดับก็อายตระดับเมื่ออายตระดับก็ภัตตะดับเมื่อภัตตาดับเวทนาก็ดับและตัณหาก็ดับและโอภัยทานก็ดับก็ภพก็ดับก็ชาติก็ดับคือลูกโซ่เนี่ยมันเชี่ยวค้องเป็นสายเป็นวงขัดตั้งวได้คขายมันก็ขาดวะด์หมันออกไปได้อันนั้นพลเรี่ยงให้เฮาจักครับผู้เถือ สมมติเร้องพิจารณากองทุกเป็นอารมณ์สมมติไทยความทเยอทะยานในวัฏสงสารมันก็คอยบรนเทาไปทุกอย่างพจะนร่าเราปฏิวัติทุกแบะปฏิบัติสมมติไทยแล้วปฏิบัติมักปฏิวัตินี้โรดสังสรรค์ประมานี้เหรอเรียงแบบไปนะพิจาราทุกเป็นอารมณ์เนี่สมมติไทยความทเยอท่ยานในวัฏสงสารมันก็บรนเทงไปมันก็ระงับไปมันก็เบาไปมักมันจะเริ่ยไปเรตัว นี่หลวงพ่อถ้ามาแจ้งไปในตัวตัณหาบังคอยยกตัวหลวงพวอพวกทียอทุานในหลกเอ้วคั้ที่เห็นเห็นโทษได้ตัณหาสุบแล้วสมมติไทยมาคอยบอกลงองคือกันเอ้าเห็นสมมติเราเห็นอันนี้จังเอ้าใหนในโลวงเต็มไปอันนี้จังข้าเจ้าอนุาตอนาในหลวงบอกใบคือกันว่างเ้ยมักมันก็จะเล่นไปในตัวนี่โรวก็ทํา้หมแจ้งไปในตัวเนี่ยอันเดียวกันเนีเขาท่านไหนก็ส่อเกาหัน จะเอาไหนก่อสการทำเก่านะอะไรควาการทำทำเก่าเราะว่าเขาทํ่ทำไรจนไหม้เขาที่เขาทั้งไหนก็ได้เอะจนไหม้มันเนี่ยจะเป็นหน้าของเขาเขาถิ่บั็อกทางไหนเขาเ็าพี่จะหน้าบ้งแก่ควบล้มจับของจับของฝาะไรเามห้งสงสิบกพ่อแก่เสียงสิบก็พ่อใจแก่กเพาะอไมาเฮ็ดหาเฮ้าแต่กระมิ้ตาเฮ้าเราเฮ็ดแต่พอซัวดเฮารอยากแก่ัพรกระเพาะพิษตองเฮ้า่ เทาาเหตุหเขาได้ก็สวนเข้ามาแก่แต่ไฟแก่เข้าเขาสามารถทำควบดีได้เห็นด้วยก็จักถือเป็นคนสามาถไะครับเขาิสามาถทับจะควสัวใชคิด้ใจวนี่ปัหาของมัน่าถ้าสามารถทับจะควบสัวใช้คิดใ้ใจของเขานี่เขาสำคัญนะเขาสาดะท่านมันจะเป็นเขาอุบุญได้กว่าแล้วเขาเนี่ยทจะน่าเอามันอีกหนถ่าเขาสิหมดทะลุใช้สร้างสัวคขานี่ ยังยาหวมั้งถอะไปล้วเกิดเป็นยังยาเมียมันนะ่ะวั น, น่อคุณจะนวดทา ไ, ได้ยาห่า น, นะเออมันจะหอนก่อนได้ไหมครับขนา ว, นนนนว่ามันบาดร้ายอาจาร ย, ย์ย้อมาบานเขี่ยรายวงไปควงวันละครไปไปตบป้าอ้อยไปกินอ้อยอยู่ว่าสัพวกนึงขันทมเห็นห้างเป็นยังฉันนั่นมันเป็นเครื่องอบอุ่นห้เวลาขันนก็ทําเองุห่